พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17ตุลาคม2554มีชื่อเรื่องว่าธรรมะวันลาสิกขาเอาปโนเมรพวกเรา ตั้งแปดพระใหม่ที่จะลาศิกขาพวกเราได้ตั้งใจไว้มานมนานถึงพวกเราจะไม่ได้ตั้งใจแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นผู้ตั้งใจให้ว่าได้ลูกชายมาแล้วจะได้บวชในพระพุทธศาสน า, ศาแต่บัดนี้พวกท่านทั้งหลายมีอายุครบ พร้อมที่จะบวชบางคนก็ได้ทำการทางานมาก่อนบางคนก็จบมาแล้วก็มาบวชก่อนเพื่อจะได้ดาเนินชีวิตต่อไปภายภาคหน้าแต่พวกท่านทั้งหลายได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นเวลาสามเดือนกว่าบางคนก็อาจจะกว่านั้นบ้างแต่จุดมุ่งหมายก็คือสามเดือนแต่บัด น, นี้การบวชของพวกท่าน ก็ได้ครบตามกําหนดแล้วต่อไปนั้ก็จะไดลาสิกขาเพื่อไปเป็นฆราวาสประกอบสำมาชีพต่อไปแล้า ก, การเป็นอยู่ของพวกเราตั้งแต่เราเป็นเด็กจนมาถึงบัดนี้ให้พวกเรานั่งทบทวนดูทบทวนเวลาไหนก็ได้ทบทวนเมื่อลาสึกษาไปแล้วก็ได้ แต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็ให้นั่งทบทวนก่อนที่พวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะมาบวชเมื่อบวชเป็นพระใหม่หลวงพ่อก็ให้นั่งทบทวนดูสิว่าการดาเนินชีวิตของพวกเราตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงปัจจุบันอยู่เดียวนี้วันเนี้ยเราเดินทางผิดถูกอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไร ผิดถูกอย่างไรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองตัวของพวกเราเองรู้กว่าใครทั้งหมดเพราะการดำเนินชีวิตของเรามันมีทั้งที่ลับที่แจ้งไม่มีใครที่จะไปสอดรู้สอดเห็นในการกระทำของตนเองตนเองนั่นแหละเป็นที่รู้กว่าใครทั้งหมด เพราะนั้นให้เราทบทวนดูว่าการกระทําของเราที่ผ่านมากายกรรมคือการการะทาทางกายวิญญกรรมการพูดออกมาทางวาจาหรือในใจของเราเราคิดไปในทางไหนมากกว่าคิดไปในทางพยาบาทอาคาตจองเวรเรื่องว่าคิดเรื่องประมาทหลบหลูบุญคุณผู้มีอุปกรณหรืออย่างไร ลือในใจของเราใยไปในทางกุศลใยไปในทางดีถ้าไปใยไปในทางดีเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางที่ถูกต้องทําในทางที่ถูกต้องพูดในทางที่ถูกต้องว่าสัมมาทิฏฐิถ้าคิดไปในทางที่ผิดทําในทางที่ผิดพูดไปในทางที่ผิดอะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือคิดผิด ทำผิดพูดผิดผิดอะไรผิดศีลธรรมผิดกฎหมายผิดจริยธรรมไม่น่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์ที่จะต้องทําอย่างนั้นแต่เราก็ได้ทําเหมือนกับตัวเองเป็นสัตวติรชานทําให้ถูกต้องสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเรานั่งทบทวน นั่งคิดดูให้ดีนึกเมื่อกี้ดีแล้วจะทำยังไงเมื่อกคิดดีแล้วเห็นแล้วเห็นโทษแล้วเราก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ดีทําให้มันดีขึ้นไม่ใช่ว่าทํามันชั่วแล้วก็ยิง่งยิ่งทล้ำชั่วเข้าไปอีกอันนั้นเรียกว่าพาและชนคนพาลแต่ถ้าว่าเรารู้แล้วเห็นแล้วว่าจุงไหนที่มันไม่ดีเราก็ ปรับปรุงแก้ไขใหม่ทําให้มันดีขึ้นปรับปรุงใจของเราปรับปรุงการกระทําของเราปรับปรุงวาจาคําพูดของเราให้ดีขึ้นอันนี้เรียกว่าบัณฑิตพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ให้มันดีขึ้นให้มันถูกต้องขึ้นในชุมชนในสังคมในตัวของเราในการเป็นอยู่ของเราในชีวิต ประจำวันหรือชีวิตครอบครัวของเราหรือกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงของเราทําให้มันถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะพวกเราท่านทั้งหลายที่จะออกไปสู่ครวาญก็ต้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายภรรยาลูกพี่น้องแล้วพวกเราจะทําตนอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นจึงจะให้ ถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรมกับทุกคนสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราที่จะจองเป็นเทศเนี่ยบันฑิตเนี่ยจะต้องได้ใช้แนวความคิดให้รอบขอบเมื่อออกไปเป็นฆราวาสอันดับแรกเราก็ต้องกราบพ่อแม่ก่อนพอเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาพ่อแม่อนุญาตให้บวชเมื่อบวชแ้วเราก็ต้องกราบ กลับไปกราบท่านเจ้าก่อนเมื่อเห็นท่านจากนั้นยังค่อยทําการทำงานไปยามดูตนเองเสมอที่พวกเราได้อบรมมาแล้วอบรมศีลธรรมแล้วสามเดือนกว่าก็น่าจะรู้จักว่าอันไหนเป็นอันไหนอันไหนควรอย่างไงไม่ควรอย่างไรถ้าพวกเราไฟในการศึกษาขณะที่บวชเพราะหลักของพระพุทธศาสนา สอนให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรให้รู้จักครูบาอาจารย์รู้จักผู้อาวุโสพันเตอาวุโสก็คือผู้มีอายุพรรษามากกว่าพันเตก็คือผู้น้อยกว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรทำตัวอย่างไรในเมื่อเราไปเป็นครบวาตร์ก็รู้จักพี่น้องพี่ป้าน้าอาควรจะเรียกชื่อเขาอย่างไรควรจะทาตนอย่างไรกับผู้มีวิญญาณ ขูมีวัยสูงกว่าขุนนวุฒิถึงจะเป็นผู้น้อยอายุน้อยแต่เขามียศฐามบรรดาศักดิ์สูงกว่าเราควรจะเรียกเขายังไงเราควรจะทําตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้ในหลักทำความสอนทางพระพุทธศาสนาทำสอนของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานอย่างที่พวกเราก็ามาศึกษานี่ท่านถือกันมาก ให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรน่ไม่ใช่ว่ามีอะไรก็พร่ามไปหมดไม่รู้จักสูงต่ำอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของคนดีไม่ใช่ของคนเด็ได้รับการศึกษาได้รับการอบรมมาดีแล้วถ้าผู้ได้รับการอบรมดีแล้วต้องรู้จักสิ่งควรไม่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่และพี่น้อง ในวงในสกุลของเราลงพ่อเน้นหนักเรื่องนี้อยู่เสมอเพราะเรายัางเป็นเด็กหนุ่มโดยมากมันไฟแรงทำอะไรชอบเอาใจใ จ, ใจตัวเองไม่ชอบฟังใครฟังคำของใครดันทุลังหัวดือ้อหัวล้านไม่ชอบฟังคำของผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้ให้พวกเรา นึกเอาไว้สรุปแล้วก็คือให้พวกเรามีหลักเหตุผลถึงจะไม่ฟังก็ไม่ฟังด้วยด้วยหลักเหตุผลต้องมีเหตุผลต้องชี้แจงได้ไม่ใช่ว่าดันพลางแบบเสือ่อเสื่อโง่โงแบบที่ไม่เอาเอาทานไปน้ำคุนคุนอันนั้นไม่ดีอยู่กับใครก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่กับร้องหนักอกหนักใจทั้งทั้งนั้น อันนี้แหละหลวงพ่อที่ได้สอนด้วยบอกกล่าวให้พวกเราอันนีค้คือเป็นแนวทางให้พวกเราได้คิดเอาไว้ถ้าไม่มีใครพูดใครบอกใครกล่าวเลยพวกเราก็จะลืมตัวแต่คราวนี้เป็นคราวที่มาอยู่กับหลวงพ่อมาศึกษากับหลวงพ่อหลวงพ่อคือว่าเป็นครูบาอาจารย์ในหลักทองกองพระพุทธศาสนาหลวงพ่อจะสอนวิ ช, ชา ความรอบคอบให้แก่พวกเราพวกเราท่านทั้งหลายจะออกไปสู่คารวาสแล้็ควรทำตนอย่างไรเหมือนกับรือสีสมัยก่อนรือสีลูกที่จะออกไปสู่คารวาสลือสีพ่อต้องสอนเช่นก่อนอันนั้นควรครบอันนั้นไม่ควรครบอันนั้นควรทำอันนั้นไม่ควรทำอันนั้นควรคิดอันนั้นไม่ควรคิดควรจะดำเนินอย่างไรควรจะทำใจอย่างไรในชุมชนและสังคม ลักษณะอย่างนั้นอันนี้คือเป็นแนวทา ง, ทางของบัณฑิตนักปราชญ์มาตั้งแต่ดึกดาบรรพ์โหน้นหลวงพ่อเองถึงจะไม่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ถึงขนาดนั้นแต่ว่าหลวงพ่อเองก็จะใช้แนวความคิดของโมลัโมโบราณที่สอนว่ า, าลูกหลานเด็กหนุ่มที่จะออกไปสู่ชุมชนสังคมเราที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายก็จะต้องสอนว่า ควรจะทำตนอย่างไรในการเป็นอยู่การวางตัวจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะเหมาะสมในการเป็นอยู่นั้นๆ น, น, นี่แหละอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อบอกกล่าวไม่ใช่หลวงพ่อจะจำจี้จำชายเมื่อพวกท่านไปแล้วหลวงพ่อก็หมดภาระไปในขณะที่ลงที่ก่อนที่จะไปหลวงพ่อก็จะต้องสอนวิชาความรอบครอบ ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเอาธรรมะเรียกจริยธรรมหลวงพ่อสอนจริยธรรมคือความประพฤติให้ถูกต้องให้เป็นธรรมในการเป็นอยู่ในชุมชนในครอบครัวในกลุ่มของเรานี่แหละอันนี้เมื่อเราออกไปเป็นฆราวาสเราต้องฟังฟังพ่อฟังแม่ฟังเพื่อนฝูง วางผู้มีวัยวุฒิคุณอวุฒพี่ป่านาอาที่ท่านที่เจตนาดีบอกกล่าวเราเราต้องฟังฟังแล้วไม่ใช่จะเชื่อทุกอย่างก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เชื่อทุกอย่างก็เป็นคนหัวอ่อนไปอีกถ้าไม่เชื่อทุกอย่างก็เป็นคนหัวแข็งอีกสรุปแล้วคือสอนให้มีเหตุผลก่อนที่จะเชื่อก็ต้องมีเหตุผลควรจะเชื่อที่ไม่เชื่อ ก็ต้องมีเหตุผลในสิ่งที่ไม่ควรจะเชื่อเพราะฉะนั้นเราให้หนักแน่นในหลักเหตุผลก า, การการกรองจากนั้นก็ออกมาเปรียบเทียบกับกฎหมายเอามาเปรียบเทียบกับศีลธรรมจริยธรรมที่เราได้ศึกษามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มหลวงพ่อเคยเห็นในสื่อลึกบอกบอกกล่าว เมื่อไปอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็เราให้รู้สัญชาตญาณของพ่อแม่สัญชาติญาณของมนุษย์สัญชาติญาณของคนต่อไปเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เรามีลูกขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะให้ลูกรลกูกดเสมอกันเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ให้พวกเราคิดไว้ในใจเพราะท่านท่านจะรักใครก็เป็นเป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาขนาดนี้แล้วก็นัว่าเป็นบุญคุณอย่างยิ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับเราจริงพูดทางนี้ท้งนั้นเอายกหลวงพ่อเป็นตัวอย่างไม่ใช่ยกของพวกท่านพวกท่า น, น า, จจนกานอาจจะมองไม่เห็นลูกหลานนะจะมองไม่เห็นเพราะยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ แต่หลวงพ่อผ่านการผ่านวัยมานมนานหลวงพ่อนึกย้อนหลังดูหลวงพอรู้ว่าพี่น้องของเราเจ็ดแปดคนแปดเก้าคนเจ็ดแปดคนพี่น้องของหลวงพ่อพ่อแม่รักใครเราก็รู้แต่ว่านเป็นสิทธิ์ของท่านพอมาถึงยุคนี้เราแต่สมัยก่อนเราก็น้อยใจว่าพ่อแม่เนี่ยรักคนนั้นมากกว่าคนนี้แต่พอเรารู้ได้ แต่ท่านก็ไม่ได้ถือว่าเป็นที่ลังเกียดท่านก็รักทุกคนนะแต่ว่าในใจของท่านมีมีคนหนักมีคนเบาแต่ น, นั้นพอมาถึงยุคนี้มาถึงอย่างนี้แหละมาอย่างอย่างหลวงพ่อนะ่ะหลวงพ่อเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของท่านถ้าหากว่ามันอาจจะเป็นเครื่องผูกพันมาจากดึกดำบรรตั้งแต่พบก่อนชาติก่อนไม่มีใครรู้เราอาจจะมาเกิดกับท่านเพียงชาติส ช, ชาติ แต่คนคนท่านไหที่มาเกิดกับท่านที่ท่านรักอาจจะมาเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันชาติก็ได้ที่มาเกิดกับท่านความผูกพันในจิตใจของท่านอาจจะลึกกว่าลึกกว่าเราเราอาจจะมาขอเกิดกับท่านเพียงชาติสองสามชาติแต่จะให้ท่านรักเหมือนกับการผูกพันหนุ่มนานก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเ อ, เอาหลักธรรมะเข้าไปคิดเหมือนกัน แต่เราก็คิดว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยขาสองแขนสองสมองหนึ่งเราเราก็พร้อมที่จะกระโดดไปในทิศทั้งสี่เราใช้สมองของเราเราใช้สติปัญญาของเราที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาแล้วไปในทางที่ถูกต้องไปในไปในการทรมมหาเลี้ยงชีพเป็นสัมมาชีพเราจะไม่เป็นมิจฉาชีพคือนะดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้อง เราจะพยายามดำเนินในทางที่ถูกต้องคือสำ ม, มาชีพขาสองแขนสองสมองหนึ่งของเราถ้าว่าเราได้ทำมาทาการทางานช่วยพ่อแม่เราก็พยายามทำการงานให้ดีที่สุดอย่าให้ขาดตกบกพร่องที่ท่านมอบหมายหน้าที่การงานให้ทำถ้าว่าพ่อแม่มอบหมายความไว้วางใจกับให้เราให้ทำแล้วทะเลทลายขาดตกขาดขา ด, ขา ด, ขาดตกตกหล่น แล้วจะไปให้จะให้ท่านไว้ใจเราได้อย่างไรจากนั้นเมื่อท่านไม่ไว้ใจเร า, เ, าเราก็ขุนเคืองโมโหโกธาว่าเราท่านไม่รักเราให้คนอื่นมอบความไว้วางใจกับคนอื่นมากกว่าสิ่งเหล่านี้ให้พวกเรามองตนเองให้พวกเรามองตนเองมองการกระทํำของตนเอง mm hmm. เมื่อท่านมอบหมายให้สิ่งไหนเข้ามาทําตั้งใจทําแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้รบ ให้เรียบร้อยจากนั้นก็มอบหมายคืนให้ท่านเมื่อท่านจบหน้าที่ของเราแล้วในสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกคนผู้ที่จะไปสู่คารวาสเ่สรุปสรุปแล้วก็คือให้เป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่การงานและต่การดำรงชีพทุกอย่างตลอดถึงช่วงแรกที่หลวงพ่อบอก ชีวิตของพ่อแม่กับเราเรากับพ่อแม่กับพี่กับน้องที่ลุงพ่อได้ยินที่คนมาพูดให้ฟังลุงพ่อสลดใจก็ตรงที่พ่อแม่อลูกชายกับลูกสาวอลูกชายน่เกเรออกนอกบ้านเที่ยวเตรอพอเรียนจบมาแล้วกันเนี่ยพ่อแม่ก็ดีอกดีใจ ได้บวชก่อนที่จะบวชพ่อแม่ก็อุ้มบาดแม่ก็อุ้มผ้าไตพ่อก็อุ้มบาดเกียงคู่ถ่ายลูกเป็นนาคจากนั้นบวชเข้ามากัเกียงคู่ถ่ายลูกปับลูกชายพอมาใจออกมาทีนี้เกเลอีกเอานิสัยเดิมมาอีกพ่อแม่กันไม่รู้จะทํำยังไงพ่อแม่เออถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าเรามอบ ทรัพสมบัติให้แก่ลูกชายเนี่ยคงจะหมดเร็วควรจะมอบให้ลูกสาวพรลูกสาวเป็นคนดีเรียงก็จะจบแล้วอพอได้ยินเท่านั้นแหละและทิละทายละเครืองเท่านั้นล่ะบอกว่าสมบัติจะตกเป็นของน้องสาวเผลให้สุกขก็นี่ะเอาปืนพ่อมายิงเอยิงพ่อแม่ขวามายิงแม่อีก ก็ตายทั้งคู่แล้วจึงม า, าล้างปืนอีกมาทำคล้ายๆก็ว่าให้เหมือนกับคนมาป้อนลักษณะอย่างนั้นผลที่สุดพ่อแม่ก็ตายผลที่สุดตำดํำรวจเขาก็มาดูๆแล้ว่ เ, เขาก็สงสัยทีแรกผลที่สุดเขาก็จับได้หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อสะดสังเวชใจอย่างมากเพราะว่าดูๆแล้วพ่อแม่รักลูก ถ้าทำไม่จริงท่านก็จะให้ใครก็มอบหมายให้แก่ลูกแต่ว่าคนลูกที่ไม่ดีท่านก็ดูรู้ถ้ามอบให้มันก็จะหมดต่อหน้าต่อตาท่านและจะให้ท่านทำยังไงสรุปแล้วก็คือพวกเราไม่มองตนเองสรุปแล้วก็คือเป็นบาปกรรมของพ่อแม่อีกเหมือนกันได้ลูกโง่ได้ลูกอันตพาณ เพราะนันสิ่งเหล่านี้ทิศทั้งหลายที่มาอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อที่จะศึกไปล า, ลาสิกขาไปพวกเราทั้งหลายให้คิดอันนั้นยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันน่าสนุดสังเวชใจญถ้าว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือมาบวชที่วัดหลวงพ่อถ้าทําอย่างนั้นไปหลวงพ่อเนาะคงจะวิ่งเข้าป่าคงจะไม่สอนใครอีกต่อไปพอได้ลูกศิษย์ พาและชนอย่างโง่อย่างสุดๆขนาดพอข่าพ่อแม่ได้สิ่งเหล่านี้การพูดทังนี้ท้งนั้นก็เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นการแนวทางสอนพวกเราท่านทั้งหลายให้ซับนึกไว้ในใจอย่าไปคิดทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าทำไปแล้วนั่นแ่ะบาปกรรมนั้นตัวนั้นอ่ะจะตามสนองไปไม่รู้กี่พบกี่ชาติอันนี้ก็คือเกี่ยวกับมารดาปิดา บาดาปิดาที่ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วให้เลี้ยงท่านตอบเมื่อท่านเท่าแก่ชรลาพ่อดเลี้ยงท่านเลี้ยงเรามายากขนาดไหนพวกเราเคยเห็นเด็กไหมเคยเห็นเด็กที่เขาเลี้ยงไหมพ่อแม่เลี้ยงเราก็ไม่แพ้กันพูดอย่างนั้นได้ mm hmm. เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก นี่แหละสองตายายที่ถูกฆ่าที่ลูกฆ่าข่าวนั่นก็คือลูกชายไม่ประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเที่ยวเตร่การพนงการพนันทำตนไม่ดีพูดง่ายงๆแล้วจะให้ประพฤตตนไม่ดีแล้วจะให้พ่อแม่มอบมอรดกให้อย่างไรพ่อตัวเองทำตนไม่ดีเมื่อทำตนไม่ดีพ่อแม่จะมอบมอรดกให้ท่านหามาด้วยความยากลาบาก กว่าที่จะได้มาซับสมบัติมาถึงขนาดนี้ยากลําบากขนาดไหนทีนี้เราได้มาแล้วเราไม่เห็นคุณค่าในการได้มาของสมบัติเเอาไปถลุงเอาไปใช้แบบไม่รู้จักคุณค่าท่านก็เสียดายเพราะท่านหามาด้วยความยากลําบากของท่านกว่าที่จะได้มาถึงขนาดนี้กว่าจะตั้งตนตั้งหลักตั้งตัวได้ขนาดนี้ในสิ่งเหล่านี้ทว่า ในหลักธรรมประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านท่านยังไม่ได้มองไม่ให้ปล่อยปะและเลยไม่ให้ทิ้งเพราะเหตุใดเพราะว่าสมบัติคือตัวของเราในะยังอยู่ขาสองแขนสองสมองหนึ่งยังอยู่กับตัวของเรามรดกของพ่อแม่ควรจะเอามรดกชิ้นนี้อนะไปสะแสวงหาทรัพย์ แล้วก็ทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณท่านถึงสถิตอยู่นัดทินใดขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าถ้าตกทุกข์แต่ ย, ยากถ้ามีสุขอยู่แล้วกขอให้มีสุขจริงๆขึ้นไปนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นบุตรเป็นลูกที่ดีอย่างหลวงพ่อเหมือนกัน โยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อก็ล้มหายตายจากไปแล้วหลวงพ่อไหว้พระสวดมนต์ทำคุณงามความดีสิ่งใดหลวงพ่อกันมาลำลึกถึงเวิวิทาเดินยัยกมเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ยังปนมมือแล้วลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมามากน้อยก็ข อ, ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนโยมพ่อแม่ตกทุกข์แต่ยากให้พ้นจากทุกข์ามีสุขแล้วข อ, ขอให้มีความสุข ย, ยิ่งขึ้นไปอันนี้คือเราต้องน้อม ตรำลึกถึงดูเสมอคืออันนี้คือพระคุณของพ่อแม่ผู้ที่รำลึกถึงพระคุณรู้จักบุญคุณของพ่อแม่รู้จักบุญคุณของผู้มีอุปกรคณคนคนนั้นจะตกไปนิสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่รักเคารพของคนทั้งหลายถ้งว่าเราไปที่ไหนมีตเนและคุณพูดไม่รู้จักบุญคุณของคน เพื่อนฝูงที่เขามาใกล้ก็น่ากลัวทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเป็นคนเนรและุนคนเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายที่จะออกไปเป็นคราวาตนะ่ะให้เป็นคนเป็นคนดีสรุปแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิไปในทางที่ถูกต้องอดาเนินทางเดินทางที่ถูกต้องอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพนัน อย่าไปแตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเหล้าเรื่องสุราหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกถ้าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้วมันทำความชั่วดีทุกอย่างเออยิ่งคบกับหมูลูกน้องคู่คนพอกินเหล้าเข้ามาแล้วอ่อแอ้ออแอ่จากนั้นก็ติดอ่อแอ่อยู่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีกิจการงานจะเป็นยังไง พราะคนขาดทติไม่รับผิดชอบอะไรทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราได้เข้ามาศึกษาได้มาฟังทําคําสอนของหลวงพ่อหลวงพ่อนํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนพวกเราท่านทั้งหลายให้พวกเราท่านทั้งหลายให้จำเอาไว้เรื่องสุราเป็นพิษภัยร้ายแรงเ อ, อไม่ใช่แต่สุรานะ่ะยาเสพติดทั้งหลายเป็นพิษภัยที่ร้ายแรงคนที่เสพติดเข้าไปแล้ว อันตรายถ้าสมมุติว่าเราขายยาบ้ายาม้า ก, ก็ตามคัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอินอะไรก็ตามยาเสพติดทั้งหลายยาเข้าไปแตะต้องอยาเข้าไปใกล้ในเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันไม่เป็นผลดีมันเป็นบาปกรรมต่อเนื่องบาปกรรมต่อเนื่องอย่างไรถ้าว่าเราต่อไปภายภาคงานเรามีลูกขึ้นมา บาปกรรมตัวนั้นอาจจะมาถึงลูกเราได้ลูกเราอาจจะชอบยาเสพติดแล้วเราจะเป็นทุกข์ขนาดไหนเท่าไหแต่เราขายให้คนอื่นเขาให้คนอื่นเขาเสพเราได้เงินเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่บาปกรรมตัวนั้นมันจะตามมาหาเราพี่น้องลูกหลานของเราหรือลูกของเราติดยาเสพติดขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงเราก็แก่เท่าชร า, ามีแต่เขาอยากจะฆ่าเราอยู่ตลอด พอมันเมามันเสพติดเราจะเป็นทุกข์ขนาดไหนเมื่อกรรมตอนนั้นมาถึงเราเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทําเสด็ดีกว่าเพราะกำชั่วเมื่อทําแล้วมันจะติดพันติดตามเราไปในอนาคตนานเท่านานเพราะนั้นจึงไหนก็ตามที่มันเป็นมิจฉามิจฉาชีพลองก็ไม่ควรทําในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่ามิจฉาวนิจชามิจฉาคือมิจฉาชีพ วานิชก็คือการทำมาค้าขายมิชฉาวานิชชาคือการค้าขายไม่ชอบทำห้าอย่างค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นสำหรับเพื่อฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษค้าขายสัตว์ปลาอาวุธอันนี้คือมิช่าวานิชการค้าขายที่ไม่ชอบทำเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเรา ให้คิดเอาไว้แต่ทำขึ้นมาแล้วถึงจะร่ารวยขนาดไหนเราก็ต้องได้คิดไว้ว่าการค้าขาย ข, ของเราไม่ถูกต้องนะในตามหลักของพระพุทธศาสนาเราไม่ใช่อุบาสกที่ดีถ้าอุบาสกที่ดีแล้วจะไม่ทำจะไม่ทำถ้าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีแล้วจะต้องเป็นสา ม, มาชีพให้เลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าว่าเราทำอย่างนั้นไปว่าิจัย ช, ชีพเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้เมื่อเราออกไปเป็นคารวานะเราต้องดูต้องคิดให้ดีต้องดูให้ดีในการดารงชีพของพวกเราการครบค้าสมาคมก็เหมือนกันคบหญิงคบชายต่างศาสนาอย่างนี้พวกเราต้องคิดอีกเหมือนกันแต่บางคนก็ไม่เป็นไรหรอก เราพูดกันได้นั่นแหละพอแต่งงานกันไปต่อมามีลูกมีเต้าแม่บ้านก็อยากจะให้สัตว์เข้าไปศาสน า, าหนึ่งตัวเองก็อยากจะเข้าเข้าศาสน า, าหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็พกทันทั้งหลายคิดดูให้ดีก็แล้วกันเป็นหัวแตกเมื่อพายแก่เมื่ออายุมากขึ้นมาแล้วจะหนีไปที่ไหนก็ไม่ได้โผล่นสุดก็เลยตามเลยก็เลยเป็นเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งอีกต่างหาก สิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายคิดอย่างเหมือนกันสรุปแล้วก็คือให้ฟังพ่อฟังแม่ฟังพี่น้องฟังผู้ใหญ่อย่าไปเอาใจใจตัวเองถ้าเอาใจใจตัวเองมันจะถลําไปในทางชั่วไปทางต่าให้ผู้ใหญ่เขาเลือกให้บ้างแต่ก็ไม่ใช่จะให้เขาเลือกให้ทุกอย่างาไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เป็นอิสระดมวว่าเราก็มีส่วน เหมือนกันก็ต้องปรึกษาปารบบอกกล่าวหรือว่าทำความเข้าใจจะพูดที่เกี่ยวข้องแต่จะดันทุกรางังยางเดียวก็ไม่ถูกอันนี้ก็ฝากไว้กับพวกทั้งหลายหนุ่มทั้งหลายอันนีค้คือการนำลงชีพนะแล้วก็สรุปแล้วก็คือให้มันขยันมันขยันอดทน ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้หาก็ให้ขยันเก็บให้รู้จักเก็บและให้รู้จักใช้ถ้าเราไม่รู้จักใช้เราใช้อิ่นชื่อแช่เกินไปได้มาน้อยแต่เราใช้มากเราจะรวยได้อย่างไรถ้าได้มาแล้วที่จะเก็บอย่างเดียวไม่ใช้ไม่แบง่งไปปันใครเลยก็ไม่น่าจะถูกและที่เกียร์า ขี้เกียจส่อสแสงหาทรัพย์เราจะเป็นคนมีฐานะขึ้นมาได้อย่างไรสรุปแล้วก็คือให้ขยันในการหาอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันราคาสัมปทาเมื่อหาทรัพย์มาแล้วให้รักษารักษาทรัพย์รักษาหน้าที่ตำแหน่งรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองรักษากัลยาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงาม อย่าไปครอบคนเลวอย่าไปครอบคนไม่ดีให้เลือกครอบกัลยาณมิตรสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปคดอย่าไปป่นอย่าไปโกงอย่าไปเอทำตัวไม่ดีมาเลี้ยงชีวิตของเราเออันนี้ว่าสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไม่หมดนะดูกลาน ทุกคนนะแล้วก็วันนี้เป็นวันลึกสันวันดีเวลาดีลึกดีแล้ววันที่หลวงพ่อให้ไปหลวงพ่อแนะนําสั่งสอนเพราะเวลาเหมาะเวลาถูกต้องลาสศกขาเวลานี้นถูกต้องเวลาตอนเช้าให้ลึกงามยามดีแต่ข้อสําคัญให้พวกเรารักษาลึกงามยามดีไว้นะออกไปแล้วเอา เลอกงามยามดีของอหลวงพ่อไปปุยยีปูยยามไปหายกินเหล้าเมายาไปตีหัวหมาดา่าแม่เจ็กไปเลยแปลว่าลึกยามของหลวงพ่อเนี่เสียหายหมดทำดีเวลาใดทำดีเวลาใดคู่ใดขณะใ ด, ดเดือนใดปีใดคู่นั่นแหละขณะนั่นแหละเวลานั่นแหละวันนั่นแหละเดือน อาทิตย์นั่นแหละเดือนนั่นแหละปีนั่นแหละเออเป็นวันดีคืนดีเดือนดีปีดีขณะดีแต่ขณะไหนทําความชั่วนั่นแหละเออมันชั่วไปทั้งหมดตั้งแต่ขณะที่ทำเพราะนั้นเรื่องงามยามดีจะช่วยเราได้อย่างไรถ้าเราทําความชั่วแล้วเพราะนั้นพวกเราในหลักของพุทธศาสนาให้ถือว่าเราทํา ความดีเวลาใดนั่นแหละเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งถ้าเราทำความชั่วแล้วจะเป็นมงคลได้อย่างไรเป็นอั ป, ปมงคลพอทำเสร็จแล้วคนนั้นสิ่งหัวสุกหัวซุนกลัวตำรวจจะไล่จับกลัวจะเข้าคุกเข้าตารางเพราะนั่นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายเชื่อหลักของพระพุทธศาสนาประทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วไม่ให เือดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันก็เดินไปตามของมันเชื่อการกระทําของเราเนี่ยทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วให้เชื่อในการกระทํานี้เป็นหลักพวกเราจะดําเนินชีวิตไปในทางที่ราบรื่นแล้วก็พร้อมกันให้พวกเราเก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระอย่างน้อยกากาปลุกพุทโธธรรมโมสังโฆยังค่อยนอนก็ยังดีกว่า อย่างน้อยก็เป็นยังเป็นพุทธอยู่ตลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ค่อยนอนยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นสาระเป็นที่พึ่งต่อไปเมื่อมีเวลาก็ยังจะได้ขยายออกไปอีกแต่ทางว่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยเหมือนกับ น, นอนหมูนอนหมานอนวัวนอนควายนอนล้มตึงไปเลยนะอันนั้นแปลว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใชลูกจิตพระพุทธเจ้าไม่ใช่สักยะ ไม่ใช่ไม่ใช่ชักกายบุตรคือไม่ใช่บุตรของพระพุทธเจ้าพวกเราต้องยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นสถานะเป็นที่พึ่งนะพวกเราจะเจริญรุง่งเรืองในหน้าที่การงานที่พวกเราทำได้อย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อแนะนำไม่ผิดก็แล้วกัน พวกเราพยายามเดินตามสรุปแล้วคือให้รู้จักสูงรู้จักต่ำวัยวุฒิคุณอาวุธรู้จักพอ่อแม่ผุ๊พี่ป้านะ้าอาการวางตัวอย่างไรการดำเนิชีพอย่างไรอย่าไปหนักไปในทางอบายมุกเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่ น, เ ล, นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิเกยียดค้านทำการงานดืน่มนำเมาเนี่ยะให้ยกให้หนีให้ห่างดืง่มนาเมา เรื่องเล่าหลวงพ่อเน้นจุดนี้นะย่าเสพสิดทั้งหลายให้ห่างถ้าพวกเราเน้นจุดหติดพันกับสิ่งเหล่านี้แล้วมีแต่ความหายยาน่ะจะเข้ามาสู่พวกเราให้รับผิดชอบในการงานยพ่อแม่พี่น้องใครเจ้านายมอบหน้าที่ในการงานหรืออย่างหลวงพ่อมอบให้ทํางานให้ทําอย่างนี้นะไม่ใช่หลวงพ่อไม่ดูนะ่าดูถ้าทําเสร็จแล้วเออเอาดี ถ้าว่าทําไปแล้วมันไม่ดีโอต่อไปเราจะไม่ใช้อีกว่ะเพราะเหตดใดพอทําแล้วมันต ก, ต ก, ตกนๆหล่นๆจะทํำยังไงถ้าคืนใช้ของละเอียดเข้าไปแล้วจะทํำยังไงเสียหายหมดอ่ามันเสียหายผู้ใหญ่เสียหายผู้สัง่งเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราออกไปเป็นครวัตนะถ้ามอบผู้ใหญ่หมอบหมายให้ทําอะไรต้องทําถ้าทําไม่ได้ก็ต้องบอกว่าผมทําไม่ได้ครับ ผมไม่สามารถครับเออพอาะวมันละเอียดเกินไปครับผมมีติดธุระครับผมไปทําไม่ได้จริงๆครับผมได้รับอย่างอื่นไว้แล้วครับมันมีทางออกตั้งเยอะแยะไปไม่ใช่ว่ารับแล้วทําแบบเสียเสียให้หายนะไม่ได้นะสึ่งอย่างนี้ทําให้ไม่เป็นที่ไว้ใจของผู้ใหญ่เออทําอะไรต้องรับผิดชอบต้องดูให้ดีทําให้ดีสรุปแล้วนะแล้วก็ให้มี คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเมื่อไปเป็นคารวาต่ะตอนนี้ไปให้อวากแล้วนั่งคู่เข่าปนมือเอาขันเทียนแพร่เขามา